โดยยังเหลือแม้แต่ช่องทางเท่ารูเข็มฉันยอมให้ตดัดคออ้าวอีกห้านาทีต่อมาพอม่านควันผสมฝุ่นค่อยจางลงสังเกตเห็นอะไรได้บ้างแล้วทั้งหมดก็เคลื่อนเข้าไปยังตำแหน่งนั้นอีกครั้งบริเวณอันเคยปรากฏเป็นช่องปากโพรงบัด น, นี้มีหินก้อนใหญ่น้อยถลม่มลงมากลบปิดทางไว้หมดสิ้นเป็นกองพนเ น, น แรงระเบิดดึงเอาหินส่วนบนไม่ต่ำกว่า2ี่สตันให้หักหล่นลงมาบังไว้ขณะที่ต่อให้มีช้างสารสักขลุถ้าติดอยู่ข้างในก็จะไม่สามารถผลักดันกองหินหักเหล่านั้นเปิดทางออกมาได้รับพินตรวจดูอย่างละเอียดโดยรอบและชูหัวแม่มือให้คิดและเชิดบุตรเป็นความหมายว่าตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการแล้วแน่ใจนะครับพี่ ว่าเฉพาะเนินนี้นะจะไม่มีช่องทางด้านอื่นอีกเสียงเชิดวุฒิรองตะโกนถามขึ้นมาในระหว่างที่เขาปีนไต่ขึ้นไปบนกองหินเหล่านั้นแน่ใจเฉพาะเนินนี้จะไม่มีไอผีดิบตัวไหนโผลมาได้อีกแล้วมันมีช่องทางเดียวที่เห็นอยู่นี่เท่านั้นแหละและเราพินก็ไต่เนินกลับลงมาทํำกลางการถอนใจอย่างโล่องอกไปเปลาะนึง ของฝ่ายนายจ้างเสียงคริสตินาร้องเตือนให้เขาระวังตัวระหว่างการไต่กลับลงมาจากกองหินอันขรุขระเหล่านั้นและสั่งไม่ให้กระโดดเพราะรู้ดีว่าหัวเข่ายังไม่ดีนักเชิดบุตรเล็กคิดจึงปราด้าไปรอรับส่งมือไปช่วยให้จอมพรานลงมาถึงพื้นได้โดยไม่ต้องใช้วิธีกระโดดลงแต่ถึงกระนั้นก่อนจะลงมาถึงพื้นระดับราบได้ในช่วงสุดท้าย ระพินก็มีอาการส่วนเซเสียหลักเล็กน้อยนายคิดซึ่งรู้ดีอยู่ก่อนแล้วรวบปีกไว้ได้พยุงตัวให้ยืนตรงพร้อมท้งหัวร้อโฮโอ้จอมพลานตบไหลเบาๆแทนความหมายขอบใจอวันนี้นายคงเดินไปได้ไม่ไกลนักนะระพินนายจ้างอเมริกันซึ่งบัด น, นี้กลายเป็นเพื่อนชนิดเตะก้นกับเขาได้กระซ้ามาพานยายยันใหญ่ยิ้มยิ้ตอบมาว่า เออว่ะรับรองพวกนายเดินตามฉันทันแน่ๆหรอวันเนี้ยดูนายตลกดีจริงว่ะวันนี้ขากางเกงมีอยู่ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งมันขาดหายไปนี่เรายังพอมีเวลาเนะยจะไม่เปลี่ยนกางเกงใหม่ไงช่ามันเหอะฉันมีกางเกงไม่กี่ตัวหรอกแต่ขากางเกงขาดแต่มันยังดีกว่าขายันขาดนะคริสเขาเป็นคนตัดออกให้ตอนตรวจดูแล้วก็พยายามช่วยเหลือฉัน ขณะที่ลากฉันก็เป็นในช่องโพรงทางเข้าด้านหน้าคริสก็หัวไวแล้วก็ตัดสินใจช่วยฉันได้เฉียบขาดดีมากไ<ฮ>ม่งั้นฉันก็เป็นคนพิการไปแล้วระพินนำทั้งหมดออกมาสู่บริเวณที่โล่งอีกครั้งแหงหน้ามองตะวันเหมือนจะทบทวนทิศทางเตือนระลึกย้อนความจำอีกครั้งทุกคนยังไม่ปรีปากถามอะไร แต่สังเกตอากาศกิริยาเขาอยู่ทุกขณะสุภาพบุรุษไพรกวักมือเรียกบรรดาพรานพื้นเมืองของเขาทั้งสี่คนที่เคยร่วมเหตุการณ์มาแล้วในครั้งนั้นเข้ามาชุมนุมหาหรือซุบซิบอะไรกันอยู่ครู่หนึ่งพวกนายจ้างเห็นพวกนั้นมีการโต้เถียงกันคนนั้นชี้ไปทางนี้คนนี้ชี้ไปทางโน้นแล้วก็พูดกันเหมือนผีโดยไม่อาจจะจับสับสันเนียงได้ชัด รู้แต่เพียงว่าท่าทีคงมีการแสดงความเห็นโต้แย้งกันอยู่เพื่อหาข้อสรุปพักใหญ่ๆสุภาพบุรุษใครก็เดินเข้ามาหากลุ่มนายจ้างที่กำลังสุบุรีดื่มน้ำและจับตามองเขาอยู่ไงพอจะจำสถานที่รอบด้านที่เคยผ่านมาก่อนคราวนั้นได้ตลอดแล้วใช่ไหมอเมริกันอาวุโสถามขึ้นครับก็เชื่อแน่ว่าไม่คลาดเคลื่อนแล้วครับ สำหรับบริเวณนี้รพินรับคำเสียงต่ำๆและชี้มือบอกเนี่ยทางด้านทิศเหนือห่างออกไปไม่เกินสี่ห้าไม้นะครับจะเป็นทุ่งราบมีลักษณะกองหินของสิ่งอันน่าจะเคยเป็นสิ่งกอ่อสร้างตั้งโดดเด่นอยู่หมู่นึงนั่นเป็นตำแหน่งแรกที่พวกเราพบในครั้งนั้นก่อนจะมารู้ตัวภายหลังว่าเราเข้ามาสู่เขตของนครโบราณ น, นี้ และในดงทึบทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือจากตำแหน่งที่เราอยู่กันนี่ห่างเท่าไหรผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับแต่อาจจะเดินบุกเข้าไปไม่ต่ำกว่าสองสามชั่วโมงตรงนั้นจะเป็นปราสาทของปันธุมบดีที่เราประทะกัมมันไตรและพวกของมันในครั้งนั้นอย่างตะลุงบอลก่อนที่เราจะกำจัดมันลงได้เราก็ได้ทำลายปราสาท ร, ร้างแห่ง น, นั้นราบไปหมดแล้วเหมือนกัน ผมคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่เราจะเสียเวลาย้อนไปดูสำหรับวันนี้เราจะตรวจ ด, ดูเฉพาะเนินสูงสูงต่ำต่ที่เห็นเป็นลอนๆอยู่ในแถบนี้เท่านั้นเพื่อแน่ใจว่ามันเป็นเนินสุสารลักษณะเดียวกันนี้อีกหรือไม่ถ้าใช่ก็จะค้นหาเส้นทางเข้าออกของมันแล้วก็ระเบิดติดเส้นทางไปเรื่อยๆและเราก็จะไม่วนเวียนอยู่แถวนี้ละแต่จะมุ่งเหนือขึ้นไปตลอดเราดูเหตุการณ์ว่า ไอ้พวกผีดิบมันจะโผล่มาให้เราเห็นเมื่อไหร่ตอนไหนอีกบ้างก็ะจะดําเนินการกำมันเฉพาะหน้าเฉพาะครั้งไปเพราะเป็นไปไม่ได้แล้ะแล้วมันก็จะเสียเวลาเปล่าที่เราจะสํารวจนครร้างอันกว้างใหญ่นี้ทั้งหมดผมแน่ใจนะครับว่พาพวกซากมัมมี่ที่มันจะใช้อาคมบังคับแบบหุ่นยนต์ให้มาคอยรังควานเราคงจะต้องลดปริมาณลงไปมากแล้ว ภายหลังเมื่อเราระเบิดไปิดกลบสุสานของกษัตริย์และสุสานใหญ่แห่งนี้แล้วขณะนั้นแสงตะวันกลางท้องฟ้าในที่โล่งสว่างสวัยจัดัดกล้าร้อนแรงขึ้นอีกครั้งและร้อนระอุอบ อ, อ้าวไปหมดแทบไม่มีเขาเงื่อนเลยว่าเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมามันได้เกิดพายุหมุนรุนแรงขึ้นทุกคนเริ่มเหงื่อซึม สแตลลีย์ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูมันบอกเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีอ่ะเกิดเที่ยงแล้วระพินพึนพรรมพำออกมาผมอยากจะขอร้องให้เดินกันอีกสักชั่วโมงนึงก่อนพักทานอาหารเที่ยงไม่ควรสีเวลาโดยไม่จำเป็นนะครับและโดยไม่รอฟังความเห็นใดๆของฝ่ายนายจ้างทั้งสิ้นยอมปรานชูมือขึ้นสูง แลดีดนิ้วโดยแรงอันเป็นลักษณะการสั่งให้เคลื่อนที่ของเขาซึ่งพวกนายจ้างทุกคนคุ้นเคยดีและพวกพลานพื้นเมืองและลูกหาบทุกคนก็ไหวตัวหันมาสังเกตเขาทันทีพ่านใหญ่ชี้มือไปในทิศทางที่เขาต้องการบ่ายหน้าไปกลุ่มพวกนั้นก็แบกหามเคลื่อนที่กันทันทีซึ่งฝ่ายนายจ้างจําเป็นก็ต้องก้าวเดิน เือเป็นสถานที่ตั้งของนิทรานครเพื่อบายหน้าเข้าหาเทือกพระศิวะแนละ้โดยไม่สนใจคำนึงถึงว่าจะได้รับการสกัดกั้นราวีจากไอจอมผีดิบมันไรอย่างใดต่อไปและไม่ยอมเผยจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ในใจคนเดียวแก่คณะนายจ้างคนใดของเขาทั้งสิ้นโดยจะอาศัยแผนที่ประกอบความทรงจำที่เคยผ่านมาก่อนแล้วในเที่ยวขากลับ จากครั้งที่ไปตามนายชดประชากรครั้งกระนั้นซึ่งมันเป็นทางที่เขาไม่จำเป็นจะต้องอาศัยแผนที่เก่าของมังมหานรธาใดๆเลยและถ้าเกิดปัญหาใดๆขึ้นก็จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเปลาะๆปลาะไประพินร์ไรวันมีความเชื่อมั่นว่าหากนำคณะให้ห่างออกจากบริเวณของนิทรานครเท่าไหร่ เพศไพ่ต่างๆจากมนราอาคมของมันไรคู่คู่แค้นเก่าก็ย่อมจะติดตามราวีสกัดกั้นเขาได้ยากหรือเบาบางลงเท่านั้นเขาไม่คิดที่จะทำลายล้างมันอีกแล้วเพราะเสียเวลาไร้ประโยชน์จะมุ่งเดินทางคืบหน้าและหาทางหลีกหลบให้ห่างออกไปมากที่สุดบัดนี้เขามีความมั่นใจถึงเกือบร้อยเปอร์เซ็ บีห้าสิบสองลำนั้นจะต้องสูญหายเข้าไปในเทือพระศิวะอันเป็นเขตของแดนสนธยาอย่างแน่นอนมิฉะนั้นการตรวจสอบค้นหาทางอากาศของฝ่ายมริกันจะต้องค้นพบไปนานแล้วจากเครื่องมือเครื่องไม้ที่ทันสมัยที่สุดในโลกของชาติอภิมหาอันานจะแง่ซ้ายเอ้แต่ถ้าฉันมีหวังได้พบหน้ากันอีกแน่นอนหากว่าฉันไม่ตายซะก่อน จอมพลันรำพึงอยู่ในใจขณะที่ทอดดวงตาเมอมองตัดเปลวแดดข้ามเนินูงสู ง, ส ง, สงต่ ำ, ตำที่เรียงรายอยู่เบื้องหน้าสูงพ้นขึ้นไปสู่ทิวเขาที่มองเห็นเป็นแนวอยู่สุดขอบฟ้าอันแลเหมือนภาพปรากฏการลวงตาซึ่งฝ่ายนายจ้างทั้งหมดไม่อาจสังเกตค้นพบได้นอกจากจะเข้าใจว่าเป็นขอบแนวของท้องฟ้าบัดนี้ ระพินกำหนดอยู่ในใจแล้วว่าหนทางลัดมันควรจะตั้งเข็มไปทางไหนจึงจะไม่ต้องผ่านเทือกเขานิลการหลุอมอูกาบา ท, ที่หนึ่งสองและสามรวมทั้งทะเลสาบมรณะมันจะอ้อมในบางตอนและมันจะตัดลัดในบางตอนเพื่อเข้าสู่เนินพระจันทร์ในระยะเวลาอันสั้นที่สุด ส่วนการพาทางไตขึ้นเทือกพระศิวะอันเป็นดินแดนลี้ลับของมรกนครแห่งจักรราหรือแงซายเจ้าเพื่อนตายหรือคู่ปรับในอดีตของเขานั้นการที่เคยผ่านมาก่อนแ ล, และสามารถย้อนกลับออกมาได้ก็ไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึงกำหนดเดือนสิบสองขึ้นห้าคำตตมลายแทงของมังมหาราฐาอีกแล้ว ขอเพียงให้ถึงเนินพระจันทร์เป็นจุดสุดท้ายซะก่อนเท่านั้นเส้นทางตัดขึ้นหรือลงมันบันทึกอยู่ในสมองความทรงจำเขาไว้หมดสิ้นแล้วรพินฉงหนนพิสวงอยู่ในใจเขาไม่อาจบอกได้ว่าอะไรหนอที่ดินแดนประหลาดซึ่งไม่ปรากฏอยู่ในภูมิศาสตร์ของโลกแห่งนั้นกำลังพยายามเรียกร้องดึงดูด ให้เขามุ่งเข้าไปสู่มันอีกครั้งแม้จะไปไม่ถึงด้วยร่างกายแล้วก็จะต้องล่องลอยไปด้วยวิญญาณต่อให้สรีระจะแตกดับไปแล้วก็ตามนายจ้างคนใดจะกล่าวถามหรือพูดจาอะไรกับเขาในระหว่างที่เดินจับหมูไปด้วยกันในขณะนี้เขาไม่ยินยนในโสดประสาทส่วนลึก แววแต่สำเนียงเสียงเพียรหานามเดิมในอดีตของเขาอัคานิรุตอัคานิรุตอาคานิรุตมาจงมาสู่ดินแดนอันบริสุทธิ์อยู่เหนือภ พ, พโลกนี้ด้วยด้วยวาระแแห รักที่รอคอยมาช่วงนิรันดรรอคอยเจ้าอยู่ณที่นั่นแล้วดินแดนแห่งจุดนัดพบระหว่างทิวาและราตรี174เช้าตรูที่ตื่นขึ้นมาวันนี้เป็นเช้าของวันที่สองแล้วภายหลังจากดารินวาราริต ได้ยอมตนตกเป็นเฉลยภายใต้การนำพาตัวไปของช้างที่ต้องมนคตจศารสั่งการช่วงใช้ให้มาเป็นพาหนะนำทางไปสำหรับหล่อนและถ้าจะนับจากวันที่พรัดพรากจากหมู่คณะของพี่ชายอันเกิดจากมหาอุทกภัยที่สาดกระนำลงมาจากหุบเขาสูงระหว่างที่พักกันอยู่กลางดึกใต้ชะงนผาน้ำตก มันก็ย่างเข้าเป็นวันที่สามเข้าไปแล้วทันทีที่ลืมตารู้สึกตัวหญิงสาวสังเกตไปรอบบริเวณตามสัญชาตญาณเห็นไอ้พลายผีลงนาดำสนิทเป็นนินยืนรังงานนิ่งรอคอยหล่อนอยู่ก่อนแล้วหลังโคนไม้ใหญ่ที่เห็นมันรายถอยลับหายไปทางนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาส่วนบริวารที่ติดตามมาอีกสองตัวของมัน แบบช้างดันช้างแซงประดุดกองกําลังคอยพิทักษ์คุ้มกันก็อาจหลบกําบังอยู่ใกล้ๆนั่นเองเพราะเห็นป่ารกมียอดส่วนสูงไหวลู่ยวบยากโอนเอ็นไปมาหล่อนรู้แน่ว่ามันเข้าขาบวนกันมาสามตัวโดยตลอดเพียงแต่บางขณะ ก, ก็มองเห็นตัวและบางขณะ ก, ก็แลไม่พบเท่านั้น รู้แต่ว่ามันจะจับกลุ่มกันมาโดยไม่ห่างจากช้างอันเป็นตัวนำเป็นสีดองากุดสั้นด้วยกันทั้งคู่ต่างกับตัวที่เป็นพาหะของหลอนซึ่งเป็นพลายงางามส่วนที่แลเห็นงาของมันเป็นสีดําสนิทและเลื่อมนั้นหลอนก็สามารถเข้าใจได้ดีแล้วว่านั่นเป็นด้วยวิทยาเวทอันแรงฤทธิ์ของอดีตราชปุโรหิตมันไร ซึ่งบันดาลให้สีของงาเปลี่ยนไปสุดแต่ว่ามันจะส่งมนคดจะสารเข้ามาสกดชักนำช้างป่าตัวใดตัวนั้นย่อมจะมีอาการเด่นชัดว่ามีงาเป็นสีดำทันทีและถ้าถูกปืนสิ้นชีวิตล้มลงเมื่อใดนาก็จะกลับคืนมาเป็นสีเหลืองอมขาวแบบงาช้างสามันธรรมดาตามเดิม มันหาใช่ช้างที่มีงาดำโดยธรรมชาติมาแต่กำเนิดไม่ตาเล็กตีของมันที่มองจับมายังหล่อนอยู่ในขณะนี้ก็หาใช่ตาของสัตว์ประเภทช้างป่าธรรมดาไม่แต่ดูเหมือนจะเป็นดวงตาของผู้ร้ายที่สิงสูแสนรู้เท่าทันไปหมดสภาพที่แลมายังหล่อนเต็มไปด้วยอาการคุ้มเชิงจับจ้องสังเกตท่าที อาจเข้าช่วยเหลือยามเมื่อหลอนตกอยู่ในพิบัติภัยอาจติดตามสกัดกั้นแบบผู้คุมที่ไล่จากคนร้ายหากหล่อนคิดหนีมันปะปนกันอยู่ทั้งสองอาการนี้สิ่งที่หล่อนจะทำได้ก็คือลุกขึ้นเดินไปยังแอ่งน้ำซับวักน้ำขึ้นลูบหน้าแล้วกรอกใส่กระบอกไม้ไผ่ที่เตรียมเป็นกระติกประจำตัวจากนั้นก็ประทังชีพด้วยหัวเผือกหัวมัน เห็ดป่าบางชนิดที่ครั้งแรกคิดว่าเป็นสิ่งลี้ลับว่าใครที่ไหนมาจัดเตรียมไว้ให้แต่แบบนี้แน่ใจแล้วว่าจอมขมังเวทมันไรนั่นเองที่พักพวกบริวารของมันจัหาตระเตรียมไว้แก่หล่อนเป็นสเสบียงตามระยะระยะไปซึ่งมันรู้ได้อย่างดีว่าพืชพันในป่าดงดิบชนิดไหนบ้างที่มนุษย์สามารถจะกินประทังชีพได้ โดยไม่ก่อให้เกิดเป็นพิษภัยขึ้นใช่มันตรายยังไม่ต้องการให้หลอนตายยังต้องการประครับประคองชีวิตของดารินหรือจิตรางคนางผู้นีไว้เพื่อเอาตัวไปสู่จุดหมายปลายทางของมันและมันก็ได้พยายามทำอย่างดีที่สุดด้วยถ้าลําพังตัวหลอนเองหากมาหลงป่าอยู่โดดเดี่ยวเดียวด้ตามลําพังอยู่เช่นนี้ จะมีปัญญาไปแสวงหาสิ่งที่พอจะกินเป็นอาหารได้เหล่านี้มาจากไหนถ้าจะขาดก็ขาดอยู่อย่างเดียวเท่านั้นที่มันไม่ได้เตรียมเนื้อสัตว์ไว้ให้หล่อนซึ่งก็จักเป็นสิ่งที่ดีงามสำหรับตัวหลอนเองด้วยกล่อมแกล้ ม, ลมรองท้องพอประทังตายแล้วหล่อนก็ตบมือเป็นสัญญาณกับผู้คุมว่าพร้อมที่จะออกเดินทาง เจ้างาดำงนงงสูงระงานใหญ่โตปานภูเขาย่อมย่อมตัวนั้นก็เยืองกลายเข้ามาสุดหมอดและชั่วพริบตาเดียวดารินก็ขึ้นไปประดิษฐานอยู่บนคอของมันด้วยความชำนาญแล้วร่างของหญิงสาวก็ลอยเด่นระงานขึ้นเหนือราวไพราราวกับนางพญาคดเจสารหล่นตบลงไปที่หนังอันกบนคอของมันบอกเบาๆว่ามันไกล นายของเจ้าบอกกับข้าเมื่อคือนนี้ว่าในเวลาก่อนค่ำของวันนี้เราจะไปถึงจุดหมายปลายทางทันทีนั่นคือมาหาปราศาสจิตรางคนางเทวีเจ้าต้องนําไปถึงตามกําหนดเวลานะข่ายเองก็อยากจะไปเห็นถิ่นเดิมของข้าเต็มทีแล้วเจ้าก็จะได้พ้นภาระหน้าที่ที่ต้องมาคอยคุมข้าสันทีส่วนข้า ก็สุดแล้วแต่ว่าสนาะตาชีวิตเราทั้งคู่ไม่ว่าเจ้าหรือข้าแต่ ก, ก็ตกอยู่ภายใต้การบีบบังคับของมันไร้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายแล้วข้าก็รู้ว่าพวกเจ้าอันเป็นเหล่าช้างป่าทั้งหลายได้ถูกบังคับให้มาถูกลูกปืนล้มตายลงแทบจะนับไม่ท้วนแล้วไม่ว่าจะจากฝ่ายของข้าหรือฝ่ายของรพิน อย่ามาเกิดการประทะกันขึ้นโดยไม่ได้เกิดขึ้นจากเจตนาแท้จริงของพวกเจ้าเลยแม้แต่น้อยคขาจสารงาดำไม่ยินยนอะไรกับคำรำพึงของหล่อนโกงออกเดินดุมเลาะลัดตัดไครลึกไปตามหน้าที่ของมันโดยมีสีดอตัวหนึง่งเพิ่งจะปรากฏให้เห็นบั้นท้ายนำอยู่เบื้องหน้าและอีกตัวหนึง่ง ยำเหยียบใบไม้ร่างกายระพุ่มพงเกิดเสียงสวบสาบสวบสาบเบาๆตามมาทางด้านหลังขนทางที่ผ่านไปนั้นตลอด ว, วันวันว่ารกทึบที่สุดแล้วมาวันนี้มันกลับยิ่งรกชัดมากขึ้นไปอีกต้นไม้แต่ละต้นใหญ่โตมาโหรานอย่างหลอนไม่เคยได้เห็นบ่อยนัก ชูยอดสูงลิบเล้วแพ่กิ่งใบเข้ามาปลกประสานกันจนแทบมองไม่เห็นทองฟ้าพื้นเบื้องล่างเ่าก็เต็มไปด้วยความชื้นแฉะกองทับถมไปด้วยใบไม้แห้งชนิดที่เท้าช้างอันค่อยๆเหยียบย่ำไปอย่างระมัดระวังนั้นจมลึกลงไปไม่น้อยกว่า 3-4 สี่ฟุตซึ่งถ้าเดินด้วยเท้าเปล่าโดยคนธรรมดาแล้ว คงไม่มี พ, าพรานไัยคนไหนกล้าหารที่จะผ่านเส้นทางชนิดนี้เข้ามาได้มันเป็นพื้นโลกในส่วนต่ำแล้วต่ำลงไปเรื่อยๆพร้อมด้วยอากาศที่อับถึกซึ่งบางบริเวณเต็มไปด้วยกลิ่นไอของว่านที่น่าจะเป็นพิษระคนลกับความหมักหมมของใบพืชเน่าจนทำให้หลอนรู้สึกวิงเวียนแต่ก็สู้สะกดกลั้นฝืนใจไว้ ช้างนำทางของหล่อนมันจะต้องรู้ดีว่าเป็นบริเวณที่ผ่านไปได้และเมื่อมันซึ่งเป็นสัตว์เลือดอุน่นมีชีวิตเช่นกันยังสามารถทนได้หล่อนก็จะต้องทนให้ได้มันเหมือนกับผ่านไปในห่วงเหวอันแสงจะลึกและกว้างใหญ่จนสุดที่จะคะเนได้ว่ามีขอบเขตสิ้นสุดเอาณที่ใดตลอดหนึ่งชั่วโมงแรกของการเดินทาง บัดนี้ดารินหมดโอกาสที่จะทำร่องรอยหรือทิ้งตำหนิอะไรไว้ให้แก่พักพวกที่อาจจะติดตามมาได้ซะแล้วเพราะภาพของภูมิประเทศอันเป็นป่าดงดิดดำอย่างแท้จริงมีเถาวัลย์และซุ้มไม้พ่านให้เห็นอยู่บ้างเหมือนกันแต่มันก็ลอยสูงอยู่เหนือสีสะล่นขึ้นไปมากเกินกว่าที่จะเอามีดฟันถึงโคนไม้แต่ละต้น ที่เจ้าช้างผู้เป็นมักกุเทศนำทางเดินผ่านก็มีเปลือกแข็งหนาแต่ละแผ่นเปลือกของมันชิ้นขนาดกระดง้งเขืง่งเขืองมีดโบวีอันเล็กๆของหล่อนสับเฉาะลงไปหาได้ก่อให้เกิดร่องรอยใดๆไม่ลักษณะของมันเป็นง้าวไม้โบราณที่เหนียวและแข็งยิ่งอาจจะเป็นพวกยูยางสยาหรือตะเคียน แต่ทวัยอายุของมันคงนับพันปีขึ้นไปสังเกตจากลำต้นที่มีขนาดกว้างใหญ่นับสิ บ, ส, บสิบคนโอกแม้แต่พุรากที่โผล่ขึ้นมาพ้นดินบางแห่งก็ยังสูงกว่าหลังช้างซะด้วยซ้ำ น, นานๆจะมองเห็นสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่รูปร่างหน้าตาแปลกๆบ้างเท่านั้นที่เลื้อยหรือแล่นปลูตรรากอยู่ตามพื้นใบไม้หนาเหล่านั้น การบุกป่ามากัดระพินในครั้งก่อนนั้นเขาจะไม่ยอมนำคณะพักเดินผ่านป่าที่มีสภาพพื้นที่อย่างนี้เลยโดยจะหาทางเลี่ยงอ้อมไปชั้ทางอื่นที่หนทางเดินได้สะดวกกว่าไม่มีร่องรอยของสัตว์สี่เท้าชนิดใดอันเป็นสัตว์ประเภทเลือดอุน่นจะแผ่วพานผ่านเข้ามาเท่าที่หล่อนพยายามสังเกตจากสายตาเคยชำนาญไัยมาก่อน เจ้าชางงาดำพาหนะของหล่อนก็ไม่ใช่ว่าจะเดินลุยไปได้ง่ายๆมันต้องใช้ความพยายามเต็มขีดความสามารถของมันเหมือนกันคล้ายๆกับมีความจำเป็นยิ่งที่จะต้องหาทางทําเวลาตัดลัดทางฉะนนั้นพอย่างขึ้นชั่วโมงที่สองสภาพของดงดิบอับชื้นก็ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อย กลายเป็นทางเดินอยู่ในช่องตัดชั้นสูงขึ้นไปประหนึ่งจะเป็นบริเวณก้นของส่วนอันเคยเป็นแผ่นดินปริแตกแย่พื้นหินที่ผุดโผล่ขึ้นมาจากกอไม้มีรูปลักษณะแปลกๆเป็นซาดเท่าลาวาที่แข็งตัวภายหลังจากไหลาบาท่วมท้นมาสมัยใดสมัยหนึ่งและพันไม้ที่ขึ้นอยู่ก็ไม่ใหญ่โตอะไรนะัก ลักษณะปาเริ่มโปรงมองเห็นอะไรในวิวที่กว้างไกลขึ้นสายน้ำตกอันขาวฟูฟ่องสา์กระจายเป็นเส้นเหมือนภาพวาดอยู่ทางทิศเหนือพาหะของหล่อนเดินดุมดุมบ่ายหน้าเข้าไปทางด้านนั้นท่ามกลางแก่งแง่หินผาศิลารายที่สลับสีสัน ราวกับมีใครมาแท่งประดับเอาไว้ท้องฟ้ายามสายกระจ่างเป็นสีน้ำเงินงามอยู่เหนือสีษะของหล่อนในบางส่วนที่พอจะมองเห็นนอกนั้นล้วนเป็นแนวแก่งแง่หินที่ยื่นล้ำงอกออกมาบดบางไว้ราวกับนาแสงอากาศเริ่มจะหายใจสะดวกและปลอดโปร่งขึ้นและละอองไอ้น้าเริ่มจะโชยริ้วมากระทบ ผิวหน้าธรรมชาติรอบด้านสวยงามรักคนหน้าพิสวงและหน้าสะพึงกลัวอย่างแยกกันไม่ออกถ้าแม้ว่าหล่อนถูกปล่อยอยู่คนเดียวนกที่นี้โดยไม่มีช้างเป็นพาหนะหล่อนจะไม่มีปัญญาแสวงหาทางออกไปสู่ป่านอกได้อย่างแน่นอนเพราะสัมผัส บ, บอกตนเองว่าบัดนี้ ตนเองได้ถูกนำลงมาสู่ก้นหุบอันแสงจะลึกลำ้ำประดุดก้นแอ่งของกระทะใหญ่ต่ำกว่าระดับพื้นดินของป่าเบื้องบนที่เห็นเป็นเงาครึ้มจรดขอบฟ้าด้านบนทั้งสี่ทิศไม่ต่ำกว่าสี่ห้าพันฟุตมันเป็นบริเวณที่หลอนไม่เคยพบเห็นมาก่อนเลยในอดีตที่เดินทางมากับคณะโดยระพิงเป็นผู้นำทาง บริเวณทั่วๆไปของนรกดำนั้นเป็นส่วนของโลกร้างอยู่แล้วนั่นในความร้างว่างเปล่านี้ยังมีส่วนที่ร้างอย่างเร้นลับแอบแฝงอยู่อีกหรือโอกาสที่เจ้าหวนกลับหลังหรือโอกาสที่คิดว่าพักพวกจะติดตามมาพบริบหรีลงเต็มที่เจ้างาดำและช้างพี่เลี้ยงทั้งคู่ บ่ายหน้านำหลอนไปยังผาน้ำตกที่เห็นเป็นเส้นขาวลิบลิบห่างไกลออกไปประมาณสกิโลเมตรทันทีซึ่งมันก็ดูเหมือนจะตรงกันกับที่หลอนคิดเอใจคาดคเนไว้ก่อนแล้วไม่มีผิดว่าเส้นทางในอันดับต่อไปของหลอนน่าจะอยู่ยังผาน้ำตกแห่งนั้นแน่นอนเพราะมันเป็นตำแหน่งที่ร่มรื่นสมบูรณ์ที่สุด ภายในอาณาบริเวณแก่งหรือก้นหุบอันกว้างใหญ่นี้ภายหลังจากด้านเดินผ่านมาในความธุระกันดาลโดยตลอดยิ่งใกล้เข้ามาสิ่งแวดล้อมอันเป็นธรรมชาติที่บ่งให้เห็นถึงความวิจิตรการตาก็ค่อยๆปรากฏขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่พื้นกรวดหินหลากหลากสีราวกับสารพัดชนิด ของปวงอัญมณีที่มือเทพเจ้ามาสลักเจรไนเอาไว้มีฐานน้ำตื้นๆไหวแยะแยกออกไปเป็นหลายเส้นทางโดยมุ่งไปทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นคนละด้านกับที่หล่อนได้บุกบันออกมาจากดงทึบมาก่อนแล้วแต่ละก้อนของกรวดหินเหล่านั้นมีลักษณะดุจแก้วผลึกตั้งแต่เม็ดเท่าหัวแม่มือ จนกระทั่งก่อเป็นโคดแก่งแง่ขึ้นมาสูงใหญ่เกือบจะจรดชิดท้องช้างผันไม้น้ำก่อเถาและเฟินลักษณะสวยงามประหลาดต้นโปรงดึกดำบันขึ้นแซมอยู่ทั่วทั่วไปออกดอกสีสันงามจนทำให้หลอนรู้สึกเหมือนต้องมนต์สะกดให้แลหินไปเองหลายครั้งที่ดารินสะบัดหน้า และขยี้ดวงตาทั้งสองข้างเพื่อเปิดขึ้นมาเพ่งพิจารณาใหม่ให้แน่ใจที่สุดว่าสายตาไม่ได้หลอกตัวหล่อนไปเองในภูมิประเทศเหมือนเกิดขึ้นจากจินตนาการภาพวาดของจิตรกรซึ่งแวดล้อมรอบกายหล่อนอยู่ในขณะนี้และทุกครั้งที่หล่อนลืมตาขึ้นมาภาพมันก็ยืนยันอยู่กับจักสุปราสาท์ชัดเจน ว่าหาได้เกิดขึ้นจากภาพหลอนหรือฝันไปแต่อย่างใดทั้งสิ้นณที่นี้คือสิ่งแวดล้อมของสูงสวรรค์ถ้าสวรรค์มีจริงหล่อนได้มาพบเข้าแล้วกับตนเองโดยปราศจากบุคคลที่สองเป็นพยานร่วมรู้เห็นอยู่ด้วยภายหลังที่ได้ถูกนำดันเด้นมาในความน่าสะพึงกลัวของไพรมหานรกตลอดสองวันเต็ม บนหลังคดชสารที่ยืงย่างเดินไปอย่างช้าๆเหมือนจะให้หล่อนได้แลเห็นภูมิประเทศแวดล้อมไปอย่างถนัดตานั้นดารินเม้มริมฝีปากแนนกวาดสายตาเพ่งพินิษไปรอบด้านทั้งใกล้และไกลหล่อนไม่แน่ใจว่าตะวันกลางฟ้าเหนือสีสะขึ้นไปจะปรากฏอยู่ในมุมใดาทางด้านไหน แต่ทัศนียภาพที่แลเห็นจากคลองจักสุอยู่ในขนาดนี้มันเป็นแสงนุ่มเย็นตาเหลือเกินราวกับจะเกิดขึ้นด้วยแสงจากตัวของมันเองฉะนั้นเหลาผีเสื้อที่กระพือปีกบินร่อนอยู่ไปมาบ้างก็เกาะ อ, อยู่ตามช่อบุภผารดาชาติอันเริ่มจะส่งกลิ่นจรุงคานะและบ้างก็บินเข้ามาแวดล้อมเฉียดใกล้กายหล่อน มีสีปีกเหมือนใครมาแกล้งแตะแต้มไว้ต่างไปกว่าที่หลอนเคยพบเห็นมาแล้วในชีวิตนี้ด้วยว่ามันระยับแพรว์งานจนทำให้ต้องแลตะลึงซ้ำยังมีตัวที่สีปีกเป็นทองและเงินล้วนๆโดยไม่มีสีอื่นใดเจือปนดุเทพธิดาน้อยๆติดปีกบินกลายเข้ามาทักทายต้อนรับหลอนรอบตัวไปหมด ทดลองยื่นแขนออกไปเบื้องหน้าเจ้าผีเสื้อน้อยเปีกสีทองแหละงเงินคู่หนึ่งก็ทลาลงมาเกาะบนหลังมือของหลอนอย่างนุ่มนวลเอียงคู่กันดารินค่อยๆหดแขนเข้ามาใกล้เพื่อพิจารณาดูมันให้ทองแท้ด้วยดวงตาเป็นประกายตื่นนี่ฉันคงไม่ได้ฝันไปนะหลอนกระซิบ ตับผีเสื้องามคู่นั้นขณะที่เอียงคอพินิษมันขยับปีกไหวๆแผ่วเบาลมจากแผงปีกน้อยๆนั้นกระทบหลังมือของหล่อนเบาบางที่สุดเหมือนจะเอ่ยทักทายอะไรด้วยเมื่อดารินค่อยๆหออริมฝีปากเบาเบาๆมันทั้งคู่ก็โผล่แผลจากหลังมือของหล่อนบินพลิ้วเวียนวนไป รอบๆ ร, ระหว่างซอกหินทั้งสองด้านที่ช้างเดินลุยทานผ่านเข้าไปแลเห็นช่อไม้กรีบอวบหนาราวกับทําด้วยก ร, รมยีสีแดงจรัด จ, จ้าตัดแซมเขียวและเหลืองทอช่อห้อยระยะลงมาเต็มไปหมดและนั่นนั่นคือช่อปักษาสวรรค์ดารินจ้องดูมันอย่างพิศวง แล้วก็จําได้ในบัตรนั้นว่ามันคือช่อดอกไม้ประหลาดที่อัคนิรุธเคยนำมาบรรจงดัดพันและสวมประดับไว้บนศีรษะของหล่อนในลักษณะมงกุฎไพรยอย่าเมื่อกิตรางคนางหลงพลัดจากข้าราชบริพารที่ติดตามมาและไปประสบพบเขาเข้าโดยบังเอิญกลางไพรเถื่อนในครั้งกระนั้นหล่อนเอื้อมมือไปหักช่อใหญ่ของมันมาถือไว้ในมือช่อหนึ่ง ขณะที่คชาสารเดินเฉียดผ่านบัตรนี้สัญญาณแห่งความทรงจําในอดีตเริ่มทยอยเป็นระลอกริ้วเข้ามาสู่ดวงจิตของหล่อนแล้วทีละน้อยทีละน้อยสถานที่ซึ่งหล่อนได้พบเห็นอยู่ในขณะนี้หลอนเคยพบเคยเห็นคุ้นเคยกมันดีมา ก, ก่อนแล้วแท้ที่จริงมันก็คืออุทยานชั้นนอกส่วนหลังของมหาปราศาสต อันเป็นแหล่งพำนักของหลอนเองซึ่งเคยมีผาน้ำตกกั้นอําพรางตาไว้ซึ่งหลอนเคยค้นพบหนทางลับใต้ผ า, าน้ำตกใช้เป็นทางเล็ดลอดเข้าออกโดยไม่ให้สมเด็จพระราชบิดามหฮิธิเดชะส่งรากเมื่อประสงค์จะเร้นหนีออกจากราชฐานชั้นในเพื่อท่องเที่ยวไปด้วยความคนองแห่งไวดารุณีผู้มิเคยกลิงเกรงต่อสิ่งใดทั้งสิ้นในยุคนั้น ดารินเหนียวที่หูคชสารพาหนะของหล่อนไว้เป็นสัญญาณเตือนให้มันหยุดลงชั่วขณะก่อนแล้วมันก็เข้าใจอาการนั้นยืนนิ่งอยู่กับที่โดยยังไม่เคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นสตรีผู้มีความเป็นมาในอดีตอันลึกลับซับซ้อนบัดนี้แงงหน้าขึ้นมองดูบริเวณหน้าผาสูงลิบอันเป็นทางน้ำตกสูงชันนั้นพร้อมทั้งค่อยๆเลียวไปยังภูมิประเทศรอบกายอีกครั้ง เหมือนจะเป็นการเปรียบเทียบทบทวนกับความทรงจําในอดีตการหล่อนเริ่มมีความรู้สึกประหลาดประหลาดเกิดขึ้นอีกครั้งคือส่วนหนึ่งสํานึกได้แน่นอนว่าตนเองคือมอมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธิ์สัญญแพทย์สาวในชาติปัจจุบันนี้และอีกส่วนหนึ่งคือจิตร่างคนางมากุกราชากุมารีแห่งมหาอาณาจักรนิทรานคร ซึ่งเป็นการรำลึกขึ้นมาได้เองอย่างฉับพลันปัจจุบันทันด่วนนอกเหนือจากสิ่งที่หล่อนได้รับรู้เฉพาะการบอกเล่าของมันไร่หล่อนจำสถานที่อันแสนจะคุ้นเคยนี้ได้แล้วอย่างแน่นอนรู้ด้วยว่าปัจจุบันที่หลอนได้มาเห็นอีกวาระหนึ่งมันมีลักษณะที่ผิดแปลกไปจากอดีตมากแต่การก่อนนั้นผาหน้ําตกจะไม่แลดูสูงใหญ่ระงงานเงื้อม ชนิดเงนมองคอตั้งบ่าเช่นที่เห็นอยู่ในขณะ น, นี้และอุทยานด้านนอกอันเป็นที่อยู่ของบรรดาสาวสันกำนันในและพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นห่างออกไปก็หาได้อยู่ในแหล่งอันล้อมรอบไปด้วยกำแพงหินธรรมชาติสูงชันทั้งสี่ทิศเช่นนี้ไม่หากแต่มันตั้งอยู่บนที่ราบสูงอยู่บนเชิงเทินปราการของขุนเขาระห่า่เงื่อ แต่นี่เหตุใดมันจึงได้สุดลงมาเกือบจะ ก, กลายเป็นบริเวณใต้บาดาลเช่นนี้ไม่มีปัญหาแผ่นดินขุนเขาบริเวณนี้ได้เกิดการซุดถล่มลงมาอย่างแน่นอนบางส่วนต่ำลงและบางส่วนได้โผล่ผุดสูงขึ้นแต่บริเวณอันเป็นช่องน้ำตกนั้นก็ยังอยู่ในทิศทางเดิมเพียงแต่ที่มาของสายน้ำอันโปรยปลายลงมาในขณะนี้ มันได้ถูกผลักให้สูงขึ้นอีกนับสิบเท่าตัวหมายถึงหน้าผาน้ำตกได้ยืดยาวสูงชันขึ้นไปกว่าเดิมมากละอองไอ้น้ำที่สาดกระเซ็นลงมาบัดนี้ปลิวมากระทบร่างกายของหล่อนจนเปียกชื้นบังเกิดความชุ่มชำขึ้นอย่างประหลาดล้ำมันเป็นละอองไอเย็นแห่งเดียวกันที่พลิกฟื้นความทรงจาให้ผุดเด่นขึ้น เหนือแหล่งน้ำตกเบื้องบนจําได้ว่าเคยเป็นมหาเทวาลัยยิ่งใหญ่ที่สุดของอาณาจักรเป็นที่สถิตของปวงเทวรูปอันศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดินผู้พิทักษ์เฝ้าดูแลมหาเทวาลัยเป็นสตรีผู้สูงอายุและรอบรู้เสมอด้วยปราดราชบัณฑิตเว้นแต่ว่านางผู้นั้นจะมีเข้ามายุ่งเกี่ยวในราชการงานเมืองใดๆทั้งสิ้นจิตรังขนางในปางนั้น แต่รอบนี้พระราชบิดาไปคลุกคลีสนธนาปราศัยและศึกษาร่ำเรียนเกี่ยวกับทิศทางโคจรของดวงดาวจากสตรีผู้ทรงศรีลผู้นั้นเป็นนิจสีและนางก็ถวายความรักความเอ็นดูต่อราชกุมารีน้อยประดุจบุตรีของนางเองเนื่องด้วยเห็นว่าพระราชธิดาแห่งมหิธิเดชะนับแต่ประสูตรมาก็กำพร้าพระราชชนนีแต่แบเ บ, บบัดดุล ดยสัญชาติยานดั้งเดิมหล่อนจำนามของนางผู้เคยให้ความเอ็นดูผู้นั้นได้แล้วอาราลีอาราลีอาราลีาาลท่านใดนั้นดารินก็ป้องปากตะโกนเรียกนามนึงขึ้นสุดเสียงเสียงเรียกนามนั้นของหล่อนแหลมกึกก้อง ราวกับจะผ่านเครื่องขยายเสียงสักหมื่นวัตก็ไม่ปานมันดังกังวานล้อกันไปมาทุกแกงแง่โคตหญิงสะท้อนจากตำแหน่งต่ำสุดขึ้นไปจนถึงหุบผาด้านบนสุดและดูเหมือนจะสะท้อนก้องขึ้นไปบนเบื้องนาภากาศอันเป็นห่วงของจักรวาลจิตรางคานางจิตรางขนาง อย่านะเพคะอย่าได้เสด็จล่วงล้ำเข้ามาจงถอยกลับออกไปซะกลับออกไปกลับออกไปอย่าได้หวนกลับเข้ามายัางราชฐานเดิมของพระองค์อีกจำไว้จำไว้ไม่มีสิ่งใดจะมาบีบบังคับพระองค์ได้คําตอบเชิงปราม ก่อไปด้วยอาการวิงวอนแแววออกมาจากสายน้ําตกที่กระแทกขินด้านล่างอยู่คลื่นโครมนั้นหล่อนไม่แน่ใจว่าได้ยินจากกระแสะจิตหรือจากระบบโสตประสาทแต่จําได้แน่นอนวันนั้นคือเสียงของอาราลีผู้เปียมล้นไปด้วยความปราณีสนิทสเสนหาหล่อนมาแต่ปางบรนอาราลีผู้มันไรกล่าวอ้าง ว่านางคือแม่มดอาราลีข้าถอยไม่ได้อีกแล้วข้ามาตามสัจจะที่ให้ไว้กับมันไรเพื่อเห็นแก่ความปลอดภัยของอัคนิรุธในชาตินี้จิตรางค์ขนางความรักนะ่ยทำลายพระองค์มาแล้วทุกชาติทุกภพ เจ้าห่วงไปใัยกับอัคนิรุธในชาตินี้จงเอาพระองค์เองไว้ให้รอดก่อนเถิดเอาพระองค์เองไว้ให้รอดก่อนเสียงวิเวกจากกระแสน้ำตกนั้นย้ำเตือนมาอีกดารินสันสีสากแช่มช้ายิ้มเศร้าขอบใจขอบใจมากอราลี ที่เตือนเราแต่จิตร่างขนางผู้นี้ถึงที่สุดแห่งการปลงในสังขารและวิญญาณเมื่อมาถึงสถานที่นี้ก็ร้องทักทายผู้ที่เคยให้ความเมตตาดังมารดาของข้าเองเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างสุดแล้วแต่กรรมจะบันดาลขอเพียงให้ฟ้าดินเป็นประจักษ์แจ้งเป็นสักขีไว้เท่านั้นว่าทุกชาติทุกภพ จิตรัคณางน่ารักอัคคนิรุธจิตรางคณ า, า, างรักอัคคณิรุธจิตรางคณางพินาศได้แต่ขอเพียงนี้อัคคนิรุธคงอยู่เท่านั้นลากรลากรอาราลีกล่าวจบดารินก็ตบโดยแรงลงไปที่ศีรษะของเจ้าพลายงาดํา จงนำข้าเข้าสู่ราชฐานเดิมแห่งข้านักบัตรนี้บัตรนั้นช้างผีลงอันเป็นพาหนะของหล่อนก็เริ่มเคลื่อนที่ต่ออย่างสงบโดยมีช้างพี่เลี้ยงอีกสองตัวที่หยุดรออยู่ด้วยเข้าขบวนตามมันเดินลุยเวงน้ำริมเชิงผาอันเป็นแอ่งลึกประมาณเอว เลี่ยงอ้อมกระแสน้ําที่ไหลพุ่งลงมาโดยแรงนั้นโดยผ่านเข้าไปใต้บริเวณน้ําตกที่เบาบางที่สุดอันมีลักษณะเหมือนฉากบังไว้มุดลอดเข้าไปใต้แนวของสายน้ําตกนั้นทันทีลักษณะการลอดเข้าใต้น้ําตกซึ่งแลจากเบื้องนอกจะมองไม่เห็นอะไรเลยนั้นสภาพของมัน ไม่ผิดอะไรกับที่หล่อนเคยบุกติดตามไอ้แหวงเข้าไปในครั้งกระนั้นมันต่างกันแต่คนละสถานที่และคนละสภาวะเท่านั้นทันทีที่ช้างนําลอดม่านน้ําตกเข้ามาครั้งแรกเป็นความมืดสนิทเหมือนอยู่ในเหิวนรกคงได้ยินแต่เสียงร่างกายของเจ้าช้างใหญ่และช้างติดตามเดินลุยน้ําอู้ไปเท่านั้น อากาศภายในชื้นจัดและเย็นเยือยเยอดารินประคองมือทั้งสองปุ้มอยู่ที่พระเครื่องอันเป็นสมเด็จทั้งสององค์ที่กลัดแน่นติดอกเสื้ออยู่คุมสติมั่นและภาวนาพระมาหาคาถาอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรที่จะมาทำให้ดวงจิตอันมั่นคงแนวนิ่งของหล่อนบังเกิดอาการวอกแวสกสะทกสะานทั้งสิ้น หล่อนพร้อมแล้วพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้าในทุกรูปแบบด้วยสมาธิและปัญญาที่เพียรสั่งสมมาช่วงระยะหนึ่งของหนทางอันมืดสนิทมองไม่เห็นอะไรเลยแม้แต่ฝ่ามือของตนเองดารินย่อกายลงหมอบลงกับคอคดชสานป้องกันไม่ให้ถูกนำไปชนปะทะกับแก่งแง่หรือโคดหิน ที่อาจจะมีงอกโผล่ล้ำออกมาซึ่งหลอนมองไม่เห็นหมือทั้งสองเหนี่ยวไว้ที่โคนใบหูของมันแน่นนานนานนานสักเท่าใดไม่ทราบได้ที่ช้างนำหลอนเดินท่องน้ำใต้ผาในความมืดนั้นเข้าไป แล้วลำแสงสีน้ำเงินเรืองๆก็ค่อยๆปรากฏให้เห็นอยู่เบื้องหน้าเหมือนจะเป็นแสงจับไฟสีนุ่มเย็นชาบออกมาจากอาบม่านเอาไว้ดาเรนจ้องมองเขมิงแสงนั้นสว่างเรืองรองเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกขณะยามเมื่อช้างพาหนะนำเดินคืบหน้าใกล้เข้าไปตามลำดับ พื้นใต้น้ำที่มันเดินลุยอยู่ก็เริ่มตื้นขึ้นทุกทีแสดงว่าขึ้นสู่หนทางที่สูงขึ้นกว่าระดับเดิมปากช่องเป็นพโพรงโว่กว้างขนาดช้างสามสี่เชือกสามารถเดินเรียงเป็นนากระดานผ่านเข้าออกได้เลหินอยู่เบื้องหน้าใกล้ใกล้กลนเนงลักษณะมันเป็นช่องวงรีสูงกว่าหลังช้างที่หล่อ น, นั่งอยู่ราวสามสี่เมตร ระเกะระกะไปด้วยเส้นหินย้อยซึ่งแต่ละแท่งเส้นเหล่านั้นถูกแสงจากบริเวณภายในอันหล่อนยังไม่สามารถจะปรับสายตามองเห็นเข้าไปได้ถนัดชัดเจนนักอาจไว้แลดูประหนึ่งแท่งมรกตใกล้เข้าไปแล้วใกล้เข้าไปตามลำดับโดยการนําเคลื่อนของช้างพาหนะซึ่งตรงไปยังปากช่องทางนั้นอย่างเชื่มช้า เสียงน้ำตกคลืนครันจากเบื้องนอกที่หลอนได้ยินอยู่มันแผ่วเจือจางลงอย่างน่าอัศจรรย์จนกระทั่งในที่สุดก็ไม่ได้ยินเสียงสายน้ำตกนั้นแวววเข้ามาสู่โสดปราสาทของหลอนอีกเลยมันเงียบสนิทไปอย่างลึกลับเสียงที่หลอนได้ยินอยู่ในขณะ น, นี้เป็นเสียงลมหายใจของตนเอง และเสียงฝีเท้าเยืงย่างของช้างที่นำหล่อนเข้ามาเท่านั้นที่สุดมันก็นำหลอนขึ้นถึงพื้นของบริเวณปากทางขึ้นนั้นเยืงย่างเดินห่างจากปากทางขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็หยุดยืนนิ่งเหมือนช้างหินกระนึงจะเปิดโอกาสให้หล่อนได้พิจารณาดูดินแดนที่หล่อนได้ล่วงล้ำเข้ามาสู่นั้น อย่างถนัดตาเหมือนฝันใช่เหมือนฝั น, น, ฝนแต่เป็นฝันที่หล่อนยังเปิดเปลือกตาอยู่ทั้งสองข้างรวมทั้งสติสัมปชัญญะที่ยังมีอยู่ครบถ้วนพร้อมมูลแม้จะรู้สึกว่าหล่อนกำลังจะถูกอำนาจลึกลับอะไรบางชนิดกลายผ่านมาเป็นริวรล็อก คือจะดึงเอาความเป็นตัวของตัวเองออกไปจากจิตสำนึกมันเป็นมนสกดที่แทรกซึมอยู่ทุกปรมาณฑ์สถานถิ่นนั้นเปรียบดังแดนเนรมิตดารินเริ่มเห็นตนเองยืนช้างอยู่บนถนนที่โรยไปด้วยกรวดแก้วอันทอดยาวเลี้ยวลถไปตามสุงมทุมพุ่มพฤกษาใหญ่น้อย เป็นรุกขชาติที่ปลูกระดับไว้ในอุทยานซึ่งไม่น่าจะมีได้ในโลกแห่งภูมิศาสตร์ใบนี้นอกจากในโลกจินตนาการหรือในมิติที่ห้าเท่านั้นมีทั้งไม้ใบและไม้ดอกสักน้ำอันลอยฟ้องไปด้วยหขนขาวและโขนดำซึ่งสนิทนิ่งในลักษณะหุ่นเสาหินอ่อนขนาดใหญ่ ลักษณะดังสถาปัตยกรรมของกรีกผสมโรมันลานหินอันเป็นแท่นวงกลมและพินขนาดใหญ่ที่วางอยู่บนนั้นรวมทั้งสรร พ, พเครื่องดุริยางสำหรับขับกลมบุคคลระดับจักรพัฒผู้ยิ่งใหญ่ซุ้มชิ่งช้าสรร พ, พสิ่งมันล้วนทำให้ลานตาตื่นใจเหมือนล่วงเข้ามาสู่แดนลับแหล แสงที่ทำให้หลอนได้แลออกไปเห็นภาพเหล่านี้มาจากที่ใดไม่ปรากฏเพราะมันคล้ายจะรับประเทืองเรือระยับขึ้นด้วยตัวของมันเองไม่อาจกำหนดได้ว่าควรจะเป็นเวลาแห่งทิวาหรือราตรีไม่เจดจระ จ, จ้าแต่ก็ไม่ถึงกับสหลัวมัวมน คงรักษาระดับความอ่อนนุ่มเย็นตาอยู่เช่นนั้นดุจฉากบนเวทีละครที่บรรดานขึ้นด้วยไฟสีซึ่งค่อยๆชาบเปลี่ยนไปตามลำดับจากสีสันอันแสนหวานและแสนนุ่มแลไกลเหนือถนนและซุ้มพลึกษาละดาชาตออกไปเป็นส่วนที่ลาดลงต่ำ หล่อนเห็นยอดปรางมหาปราศาสเรียงรายลดลันกันอยู่ในสภาพอันสมบูรณ์ปราศจากสิ่งอันประหลักหักพังฉลุสลักเป็นช่อชั้นเหมือนพิมานแมนก่องแก้วเก็ดแกมประดับระยิบระยับส่องประกายรุ้งร่วงแพลวพรายชาตินี้ไม่เคยเห็น แต่อดีตชาติสถานที่นี้คือราชธานเดิมของหล่อนผู้มีนามว่าจิตรางคณาหล่อนจำได้หมดจำได้หมดทุกส่วนทุกอาณาบริเวณอันเป็นแหล่งเกิดในป่างนั้นเติบโตมาในสถานที่นี้วิ่งเล่นซุกซนอยู่กับหมู่พระพี่เลี้ยงนางกำนันนักนะบริเวณนี้ สนามฝึกซ้อมยิงธนูของราชกุมารีจะอยู่ทางซีกซ้ายของมหาปราศาสสถานฝึกเพลงหอกเพลงดาบและมีดสัน้นจะอยู่ทางด้านไปอีกมุมด้านขวาสะสนามที่มีน้ำใสาปานกระจกแก้วอยู่เบื้องหลังปราศาสตรออกไปทางอุทยานด้านหน้าเคยลงไปดำผุดดำไหวาจากไวนงผ่าน จนย่างขึ้นสู่วัยสาวรุ่นดารุณีโดยมินำพาต่อกระแสพระราชดำรัสตรัดห้ามตักเตือนของสมเด็จพระราชบิดายังจำได้แม้กระทั่งสายันหักการหนึ่งแห่งวันมหากรีธาประลองหยุดภายใต้ร่มระยะของรากไซยอยริมฝั่งสะด้านตะวันตก เจ้าชายแห่งประเทศสรากภายใต้ขันธศรีมาของมหาอาณาจักรใหญ่ที่เข้ามาร่วมประลองยุทธด้วยและถูกจิตรางคขนางปีด้วยหอกร่วงลงจากหลังอัดสะดอได้ลอบเข้ามาปรากฏกายขึ้นที่นั่นอย่างอุกอาจห้าวหาญที่สุดไม่ทราบว่าเขาสามารถลักลอบผ่านเหล่าราช อ, องครักษ์และทหารรักษาปราศาสซึ่งมีอยู่ถึงสามชั้น เข้ามาได้ยังไงหล่อนได้ดำน้ำมาโลณนะตำแหน่งที่เขานั่งซุ่มลอบชมโฉมของมากราชกุมารียามระเริงเล่นอยู่ในสายวารีตามลำพังและนั่นเป็นการพบปะกับบุรุษชายผู้ที่เคยบาดตาชังน้ำหน้ามาก่อนเป็นครั้งแรกเฉพาะสองต่อสองเขาผู้นั้น เขาผู้นั้นก็คืออัคณิรุธแห่งแควนปัญจาละเหมือนภาพยนตร์ท้งมวลที่กรอกกลับแล้วฉายภาพซ้ำอยู่ในสมองของดารินวราริสนะักบัตรนี้สติสัมปชัญญะที่ควบคุมไว้มั่นแต่แรกเริ่มจะเลอะเลอะเลือนเลือนสมองของหล่อนเริ่มจะโอละเวงมึนงงสมัดหน้าแรง เพื่อไล่ผวังแต่ชั่วขนาดจิตก็เผลอเลื่อนลอยเคว้งคว้างไปอีกสลับกันอยู่เช่นนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าสรรพสิพส่งในราชอุทยานแห่งนี้คงอยู่ในรูปรอยเดิมของมันมาจนกระทั่งบัดนี้ได้อย่างไรประหนึ่งว่ามันได้ถูกผนึกไวในการห่อหุ้มของผลึกแก้วโดยที่การเวลาไม่อาจเข้ามาเป็นตัวทำลาย และเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นต้นไม้ใบหญ้าเหล่านั้นแลดูเหมือนขี้ผึ้งหรือพาราฟีนที่ประดิ์ไว้ค่อยๆแหงนขึ้นไปข้างบนมองไม่เห็นท้องฟ้าแต่มีลักษณะเหมือนครอบแก้วเพดานรูปโค้งที่ปกคลุมไว้ปกป้องหอ่อหุ้มโลกส่วนนี้ไว้ต่างหากโดยเฉพาะสถานที่อันกว้างใหญ่แห่งนี้ ตกอยู่ภายใต้ยใย ห, หินคลุมไว้โดยตลอดมันจะหนาสักขนาดไหนหรือต่ํากว่าระดับผิวโลกเบื้องนอกลงไปเพียงใดก็สุดที่จะประมาณการได้ถูกเงียบที่สุดของความเงียบเร้นลับที่สุดของความเร้นลับคือสิ่งที่ดารินวราริศเผชิญอยู่ในยามนี้ ต้งไม้ใบพรึกและทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่น้ำในสระน้อยที่หลอนมองเห็นอยู่ในขณะนี้ไม่มีการกระดิกไหวเลยแม้แต่น้อยเอาละนำข้าเดินต่อไปตรงไปยังบ้านเก่าของข้าที่เห็นอยู่น่นหลอนร้องบอกเจ้าคชฉสารพาหนะที่นำหลอนเข้ามาเบาๆ พร้อมกับตบลงไปบนโหนกศรีรษะของมันแต่บัตรนั้นเองแม้ว่าจะเตรียมกายเตรียมใจไว้พร้อมตลอดเวลาแล้วดารินก็แทบช็อกผิวหนังและเส้นขนของมันจะเคยสากอย่างหนังช้างก็จริงอยู่ทว่าแต่ไหนแต่ไรหล่อนก็เคยสัมผัสกับผิวหนังช้างมาจนคุ้นเคยชิน ม, มือมันเป็นสัตว์หนังหนาที่มีชีวิต ที่หลอนตกลงไปนะักบัตรนี้มันเป็นโขดหินใหญ่ทั้งก้อนดาลินภาวาสุดกายยกมือทั้งสองขึ้นตะครุบ ป, ปากตัวเองเบิกตากว้างแทบจะร้องออกมาดังๆ ด, ด้วยความเผลอตัวกายสะท้านสั่นเทาไปหมดขณะจิตหนึ่งที่หลอนอยู่ในอาการตกใจสุดขีดทำอะไรไม่ถูกต่อมา เมื่อรวบรวมพลังใจได้ก็ค่อยๆเ อ, อ, อื้อมือทั้งสองลองไ ป, ปลูบคลำบริเวณคอและศีรษะอันใหญ่โตของมันซึ่งหล่นนั่งอยู่ในขณะนี้อีกครั้งแล้วก็สะดุ้งชักมือกลับขึ้นมาหินหินอย่างแน่นอนหาใช่ช้างที่มีชีวิตไหมแม้ว่ารูปร่างลักษณะของมันจะทรงรูปอยู่ในสภาพช้างงาดำตัวนั้นก็ตาม หิสาวกัดริมฝีปากจนแทบจะห่อเลือดยังรู้สึกถึงฟันที่ขบริมฝีปากจนเจ็บประสาททุกส่วนในด้านสัมผัสณนะับัตรนี้ก็ยืนยันชัดแจ้งว่าหลอ น, นั่งอยู่บนคอคดิสารหินสูงจากพื้นดินขึ้นไปประมาณแปดฟุตค่อยๆเอี้ยวตัวมองกลับไปทางด้านช้างติดตามทั้งสองที่เดินมาทางเบื้องหลังโดยตลอด ซึ่งหลอนแน่ใจว่ามันจะต้องอยู่ทางด้านหลังเยี่ยงช้างคุ้มกันเช่นเดิมเพราะสำเนียกแน่ระหวางมุดลอดถ้ำใต้น้ำตกเข้ามาว่ามันได้ติดตามมาตลอดก็จิงดังที่ตลอดจากสุอันตลึงงินของหล่อนแลไปเห็นสีดอทั้งคู่ยืนเรียงคู่ขนานอยู่เบื้องหลังในสภาพที่เหมือนใครสลักหินจากภูเขาก้อนโตๆทางลูก แล้วนำมาประดิษฐานไว้ยังตำแหน่งนั้นก่อนที่จะไหวกายอย่างใดต่อไปนั้นเองเสียงกัางหวานหวานของพินอันหาที่มาไม่ได้ก็ดังใสกริ้งขึ้นในลีลาสูงสูงต่ำต่ำแล้วก็เริ่มเป็นท่วงทำนองเพลงคลอมากับเสียงทุง้ม We ว well ีวแววรอบกาย จนทาให้หล่อนต้องจังงังไปอีกเป็นข้อความว่าอาโฉมพิไลพิลาดพระาจิตตราคนางเสีงพองพักประดุดจะดวงมณีนักยามโชคตรการฉาย พิชโฉมประโลมมณัสปลึืสืดืืืืืืืืทัยืืืืเืืืืืืิืืืืืืืืืืืืืืวดืืวดืวืวืืืืืืืืืืร อ, รอรืืืืืืืืืืืืืลัลลืลืืลืืลืืืื ความรักสถินจิตนจิตนจตตนงตนะโกนิรันกาลํำนำเนื้อหาของบทเพลงนั้นเป็นการรำพึงรำพันถึงความในใจของใครสักคนหนึ่งไพเราะอ่อนหวานเปี่ยมไปด้วยกระแสวิงวอนเสน่กระไรดวงจิต ของดารินเริ่มเคว้งควางปราศจากที่ยึดเหนียวอีกวารักหนึ่งสัมปชัญญะโบยบินห่างตัวออกไปทุกขณะมันไรมันไรท่านเือนั่นอย่างเคลิมพวังหญิงสาวกระซิบแผวผ่านริมฝีปาก ออพระเจ้าข้ามันไตรมันไตรผู้รอคอยขอต้อนรับเข้าสู่เวียงวังราชฐานเดิมของพระองค์เองณนะสถานแห่งนี้รอการกลับคืนมาของใต้ฝ่าพระบาทนานมานับกับกันแล้ว ยังจะทรงจำถิ่นที่เคยประทับสถิตของพระองค์เองได้หรือไม่พระเจ้าค่ะเสียงอ่อนโยนผิดไปกว่าทุกครั้งแวววตอบมาโดยไม่เห็นตัวดุดกระแสะความถี่ของคลื่นวิทยุที่ประสาทหูของหลอนสามารถสําเนตรรับได้ข้าจำได้ จำได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างจำได้แม้แต่กิ่งไม้ใบยากาทุกเส้นใบกิตรางคนางในบรรพชาติขยับริมโอดหมุกมิดเอื่อนเอ่ยออกไปแทบจะปราศจากเสียงขณะนี้หล่อนสิ้นความเป็นดารินวราริศในปัจจุบันชาติลงซะและ้วอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึง่ง จิตรางคณางใต้ฝ่าพระบาทคงจะจำาคชสารทรงอันเป็นราชพาหนะนำกลับมายังราชฐานเดิมนี้ได้จำได้สิข้าจำได้แล้วมันคือสเสวตน้นคชสารศึกประจำตัวของข้า ณนะวันที่ข้าญาติราเรียบมหานครธรักษินาวัตรรอบกําแพงเมืองนิทรานครในวาระแห่งการเฉลิมฉลองสถาปนาขึ้นดำรงตำแหน่งมากุฎราชกุมารีแต่มันไรเอ่ยฉชนไหนเขาจะสารทรงของข้าเชือกนี้จึงกลายเป็นก้อนศิลาไปแล้วละ่ะ <c oughs> <c oughs> เสียงหัวเราะแผ่วต่ำดังตอบมาพญาคตสเวตตนันของใต้ฝ่าพระบาทได้กลายร่างเป็นท่อนศิลาไปนานแล้วพระเจ้าค่ะนับแต่วันที่มหาอาณาจักรถล่มล่มอับปางลงในครั้งกระนั้น อีกสองเชือกที่ตามเสด็จมาทางเบื้องปริศดาง น, นั้นเล่ายังทรงจำได้อยู่หรือไม่พระเจ้าข้าจำได้สิมันไรหลังเบื้องซ้ายของข้าคืออายเรตอลงกรช้างด้านและเบื้องขวานั่นคือไมหิตทอนหัตถีช้างแสง <laughs> ดีพระเจ้าค่ะสัญญาณแห่งความทรงจงมันสมบูรณ์ได้กลับคืนมาสู่ดวงจิตของพระองค์แล้วจิตร่างขนาง <laughs>